ตุณเห็นต้อจะต้องตอบยังจำในใจรักช่วทําดีทําใจให้ใสชีวิตล้ำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เคสวัสดีวันนี้เป็นเคสที่ก้าร้อยห้าสิ ลูกไดมีโอการมาส ร, าร้างบารมีกมับคณะครั้งแรกเมื่อปีพศ2530โดยคำทักทายของคลรายมิตรท่านหนึ่งคณนะนั้นเลิกเป็นครูได้พานักเรียนที่ลูกสอนมาด้วยประมาณ20 3 0คนติดต่อกันอยู่ประมาณ3ปีแต่เมื่อลูกได้ย้ายที่ทํางานใหม่จึงไม่ได้พบกับคลรายมิตรท่านนั้นอีกลูกเลยห่างหายจากวัดเป็นานถึง15ปี<อ>แล้ว แต่ถ้าพิังข A สี่แปดก็ด้มีกัลยาณมิตรอีกท่านหนึ่งมาชวนให้ลูกคืนพนาวัตรเห็นไหมเจ้าโลกขาดกัลยาณมิตรไม่ได้เหมือนโลกขาดคุณครูไม่ได้นี่ยมันก็โลกโง่หมด <c oughs> ถ้าเป็นลูกพบกับประสบการณ์ภายในที่ดีมากๆเห็นองพระพุทขึ้นมากลางท้องลูกองค์แล้วองค์เล่าลูกสุขใจมากสุขดีที่หนึ่งเลยเจ้าค่ะ เชื่อมเพิ่มลูกไปจะชักชวนเพื่อนผอ อ, อมาปฏิบัติธรรมร่วมกันที่าไรอารมณวิทย์แล้วก็ตั้งใจอบรมขึ้นที่ตั้งใจจัดอบรมขึ้นที่ปรรดาวัดแม้ทำํำยาวไม่ไม่เป็นทางการแต่ลกกับเื่อนยังแทบนอนไม่หลับซึ่งลูกคิดว่าหากลองนับดูก็น่าจะได้สองเก้าโรงเรียนแล้วคะ่ะลูกกราบของความาไม่ตามครูวิทย์ใหญ่ได้ฝันในฝันเรื่องของลูกดูหน่อยจ้ะคะเรื่องมีดังนี้คะ่ะ ลูกเป็นลูกคนตองครอบครัวมีน้อยสี่คนพ่อของลูกทำงา น, นรับราช ก, การกรมโชลประทานกระทรวงเกษตรซึ่งคุณแม่เป็นแม่บ้านคุณพ่อชอบดื่มเหล้าและเล่นกามนันมักจะติดพันอยู่กับเพื่อนเดือนหนึ่งจะกลับมาบ้านสี่ห้าครั้งลลแล้วรู้ว่าคุณแม่จึงอยู่กันด้วยความลําบากคุณแม่เกิดน้อยแจ้งคุณพ่อไม่สนใจครอบครัวจึงไปช ด, ดกันเล่นไพ่อ๋อ <Yeah. S 1> oh. บางครั้งท่านพ่ อ, อแม่ก็พาเพื่อนบ้านมาดื่มเหล้ า, าเล่นไพ่ที่บ้าแล้วก็ทะเลาะ ก, กันบ่อยครั้งไพยก็มีได้มีเสียมีรุนละทึกนี oh. ่แต่เสียมากกว่าได้ oh. แต่ถ้าทะเลาะ ก, กันทุกที oh. คุณแม่เคยหนีคุณพ่อไปอยู่ที่บ้านญาติหลายครั้งแต่ไม่นานคุณพ่อก็ไปตามขอให้คุณแม่กลับมาดูแลลูกเฝ้าววรคุณแม่อยู่เสมอว่า จยกโกรธพี่เลยนะเข้าใจยากทังเลยชีวิตครอบครัวมันยังไงฝรั่งถามให้พระอยู่ได้ยังไงอาละโยมอยู่ได้ยังไงอ๋ออมิตาภะก็กระทำกันไปอย่างเงี้ยกดๆว่าวว่อนๆงอนๆแล้วก็ว่าววบอนๆกันก็ทั้งลูกๆก็เริ่มโตเป็นสาวคนพ่อก็เลยเป็นห่วง ลูกสาวจึงหันมารับผิดชอบครอบครัวมากขึ้นคุณแม่ก็เลยลดการเล่นไพ่ไปด้วย พ, วพ่อพ่ออายุได้หกสิบสองปีป่วยเป็นโรคไ่ติงอาเสปแต่พอแต่หมอวินิจฉัยโรคผิดเห็นไจ่จะวิบากกรรมเวลามัมบามันมเราเข้มขัดสั้นเลยคาดไปถึงเลยวินิจฉัยโรคผิดว่าเป็นโรคกระเพาะ อ, อักเสบพยายามมาทานไป4ี่วัน <Yeah. S 1> ใส่ติง่ง อาการปวดก็ยิ่งรุนแรงปฏิท่าลยังพาไปหาหมอไปจาตัวคุณหมอเอกซเรดูโอ้ไส่ทิงแตกน้องจับอยู่ที่ลำไส้จึงพ่าตัดเอาลำไส้ออกส่วนหนึ่งปึ๊ดนั่นมาแต่ได้มาคุณพ่อก็หยุดดื่มเหล้าไปเลยค่ะลูกนึกใจว่าสุดยอดลูกเลยคุณพ่อน่าจะเป็นไส่ทิงตั้งนานแล้วจะได้หยุดเหล้าครั้งหนึ่งินพ่อเคประสบอุิเหตุเฉียดตาย เหตุเกิดเมื่อเดือนตุลาคม2548เรื่องม่จ่าวันหนึง่งพ่อขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปคุยเรื่องงานท่ากทิ้นกับเพือ่อนต่างหมู่บ้านระหว่างทางขากลับขณะพ่อขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงตรงหน้าร้านขายรถพิกอัมือสองจู่ๆรถพิกอับคันหนึ่งที่จอดอยู่ในเต็นท์ซึ่งเป็นเนินสูงกว่า <c oughs> สูงกว่าถนนน่ย <c oughs> พอสมควรมันไหลเล็บพ่อมากไหลลงมาหาพ่อ พอจึงหักหลบรถคันนั้นไปที่เกาะกลางถนนระหว่างนั้นก็มีเก๋งอีกคันหนึ่งตามหลังมาได้เชี่ยวชนจนพ่อกระเด็นตกจากรถสลบไปเลยพอเต็กตึงยังมารับพ่อไปนึกว่าพ่อเหมาะสมกับปอเต็กตึงแต่ว่าระหว่างทางนั้นพ่อแค่สลบพอพ่อสลบไปพ่อบอกว่าพ่อเห็น ไตาไม่สลบไม่เห็ น, เ ห, นเห็นตอนสลบ <c oughs> เห็นห้องสี่เหลี่ยมมืด <c oughs> มืดกว้าง <c oughs> มีคนถูกไฟ <c oughs> ไหม้ท่วมตัวร้องขอความช่วยเหลือมีเจ้าหน้าที่นุ่งผ้ายักครัง้ง <c oughs> สีแดงไม่ใส่เสื้อสวใสร้อยคอ <c oughs> เขาก็ถามว่ า, วา <c oughs> มึงมาทำไม <c oughs> มาทำไมยังไม่ถึงเวลากับมึงนะ ไอคนพวกนี้ยพวกนี้ น, นี่ไม่ใช่ทางนี้นะนมันชอบสูบุรีเสพยาเสพติดมันชอบกินเหล้าเมาไ ม, ามา่สุดท้ายมันก็ต้องมาเจออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวันแล้วก็ไล่ตะเพิดพอ่พอพอ่อกลับไปเดี๋ยวนี้พ่อก็เลยกลับมามันงั้นอยากจะอยู่ดูต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พ่อก็ฟื้นขึ้นมาเลยเนี่ยโอ้พอมีการตกใจระหวาดกลัวกับสิ่งที่เห็นอยู่ทั้งหลายวันเดียวเพราะไอเรื่อง รูปเตือนเรื่องเมาเมานี่ตัวลูกเองเนื่องจากเป็นลูกคนโตต้องรับรู้และเจ็บปวดทุกครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวครอบครัวของลูกนั้นถูกดูถูกดูแคลนจากคนครอบข้างประจำถ้ายลูกเปจิตใจมุ่งมั่นติดใจชนะคำคราหาให้ได้ลูกจาทุกอย่างที่จะสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ไปช่วยขายขนมที่บ้านพักช่วงปิดเทอมก็จะไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ไปถือปุ้งกีขนดินฮิวทังโอนฉันรู้กับภูมิใจค่ะที่ช่วยแบ่งบาพระให้คุณพ่อคุณแม่ได้ก็น่าภูมิใจนะที่ช่วยพ่อแม่แต่เราจะมีชีวิตเพื่อภูมิใจอย่างนี้หรือจะแบบมนุษย์มานบหนุ่มนั้นเออเราจะาความภาคภูมิใจ <c oughs> ก็น่าภาคภูมิใจที่ช่วยแบ่งบาพระคุณพ่ อ, ค, พอคุณแม่ ก็ชนสู้กันในการสร้างบารมีกันต่อไปเพราะชีวิตเราเหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วก็จะหมดเวลาในชีวิตแล้วอาจาเราจะได้เป็นผู้มีบุญเยอะๆมันต้องมาภูมิใจอย่างนี้แต่ว่าจะมีปิติใจที่เป็นผู้ให้เหมือนว่าน้อหนุ่มเขได้พาทิพยจากต้นกันะระเบิดแล้วก็แจกไปหมดทั้งเมืองเลยพอกเลิกโรรงงานทุกโรรงงานทอผ้าริดผ้าอะไรต่างๆเหล่านั้น รู้ตังใจอดีตนะจริงเขาเจริญชีวิตมากตื่นทีสองอ่านหนังสือพลางเงียบสงบเงียบสงัดทําให้มีสมาธิดีมากจนทั้งทีห้าลูกจะนอนมาตื่นอีกทีหกโมงเชา้าจะทำให้ลูกสอบเข้าหมหาลัยศิลปรกรณคณะสอนศาสตร์ได้แล้ก็ได้สอยทุนเงาะดิศสตะกูลเก่าแก่ทันหนึ่งและก็ได้ของหมหาลัยจนจบการศึกษาปริญญาตรีอยากรู้ไม่ต้องเรียนก็ต้องภาคเปลี่ยนสร้างบุญ สมาลู ก, กสอบเป็นครูได้สอนอยู่ในจังหวัดที่ลูกอยู่ขณะนั้นลูกอายุ23ปีลูกเป็นครูผู้สอนอยู่6ปีสมาชเปลี่ยนสายงานมาเป็นนักวิชาการศึกษาจิตสํานัก ง, งานศึกษาธิการอาเภอลูกสอบเลื่องการงานขึ้เรื่อยๆปัจจุบันลูกเป็นข้าราชการ48ค่ะลูกสมหวัในเรื่องการเรียนการงานเเรื่องในด้านความรักลูกมักกลับต้องมาลงเอยกับชายที่มีเจ้าของแล้ว สามีอยุ ม, มากกว่าลูกถึงยี่สิบแปดปีเขาเป็นพ่อค้าพะชาในสายงานลูกและเรามีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนลูกต้องตกจนู่ฐานะกินน้ำใต้ศอกแต่ลูกขอสลรภาพด้วยความจริงใจ ส, สุดจริตใจว่าลูกเลิฟเขาเมืกไม่จะเป็นน้ำใต้ศอกเรื่องนี้มีเหตุ เราพบกันเพียงระยะสั้นก็ต้องเลิกครั้งกันไปอย่างถาวรทีวิตก็อย่างงี้เนาะห <Yeah. S 1> ลังจากนั้นก็ได้มีผู้ชายมาจีบลูกอยู่หลายคน mm hmm. แต่ละคนู้วแต่มีประสบะการณ์ <c oughs> มีครอบครัวแล้วทั้งนั้น <c oughs> ด้านสุขภาพลูกเคยป่วยเป็นลิ้นหัวใจโป่งพองเลือดเลี้ยงสมองไม่สม่ำเสมอเป็นดะกี้ที่หัวใจหัวใจเต้นหนึ่งยี่ครั้งต่อนาทีเกือบช็อ หายใจไม่ทันตัวซีดและชาตลอดซีกซ้ายจากสมองถึงเท้าลูกทานยาห ย, ยุดประมาณหนึ่งเดือนก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่าปกติแต่หากเครียดหรือพักผ่อนน้อยไปจะเจ็บหน้าอกจึงต้อ ง, องระวังสุขภาพตัวเองให้ดีโอ้ความเจ็บความป่วยนี่มาเตือนสติแล้วลูกแล้ควคยรสบบัติเหตุที่ศีรษะอยู่สองครั้ง ครั้งแรกลูกก็เดินตกจากรถยนต์ไปจำทางเพราะยางรถแตกยางรถแตกก็ให้เรื่องนี้มีเหตุสำหรับไปหกชั่วโมงอีกครั้งลูกทด่พาตดที่หนังตาได้พาทำไมนะหลังปาตาลูกปวดแถมมากจนน็อกตกจากโขซุ่มศีรษะฟาดกับผนังห้องน้ำหมดสติไปประมาณหนึ่งนาที รุ่งเช้าลูกรู้สึกมึนงงทิฏฐะและชาที่ขาทั้งสองข้างเหมือนมีหินหนักๆมาทงไว้จนเดินไม่ได้คุณพ่อก็ไปหาร่างทรงเขาทักว่าลูกไปบนไว้แล้วไม่แก้บนคือไปติดสินบนไว้เนะี่ยนี่ก็เพียงเตือนนะหวาไปเรื่อยคอจังหวะอยู่แล้วเสียบเลย และลูกก็เคยบ่นว้จริงๆคะ่ะแล้วกันมันจะแก้บ่นขาที่หนักก็หายเป็นอัศจรรย์บ่นให้ทำกระถินได้ดีอย่างนี้เราไม่ต้องบน่นเรามาทำเองเลยนี่ไม่ใช่ลูกมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งค่ะคือครั้งหนึ่งลูกได้เดินทางไปกราบหลวงปู่รูปหนึ่งที่จังหวัดน้องคายไปกับคณะผู้สูงอายุที่ชอบทำบุญพอไปถึงตะวันก็ตกดินไปแล้ว ้วแต่เขาเจอดที่นายกฤษิีของหลวงปู่พอลงจากรถปุ๊บลูกก็มีอาการเหมือนตกอยู่ในภวังมองไปเห็นเป็นบ้านทรงไทยเก่าโบราณสวยงามไม่เหมือนในเมืองมนุษย์เป็นบ้านขนาดย่อมๆ ม, ม, มีประมาณสิบหลังเรียงเป็นแถวมีเด็กไว้ผมจุกหลายคนวิ่งเล่นหยอกล้อ ก, กันอยู่ที่พื้นดินหน้าบ้านสมงผูให ญ, ญ่เป็นคนแก่นั่งคุยกันบนอยู่บนชานบ้าน ลูกมองโดนิ่งๆและคิดว่าคงเป็นชาวบ้านมัง้งจึงนึกอนุโมทนาในใจว่าเออชาวบ้านที่นี่ใจบุญจังสร้างบ้านอยู่ติดวัดเลยสงสัยจะคอยอุปถัมภ์หลวงปู่แต่พักลูกก็ถูกเรียกไปกราบหลวงปู่ฟังธรรมะท่านอย่างทราบซึืงปิติจนน้าตาไหลแล้วเข้าที่พักเอรุ่งเช้าลูกจะเดินไปเล่นในหมู่บ้านที่ลูกเห็นเมื่อคืนนี้แต่กลับว่าไม่มีบ้านสักหลังเห็นเพียง ห้องสู่ขาเก่าๆหนึ่งหลังคำถามที่ไม่มีใครได้อย่างนี้ที่ฝาและหลังคาเป็นสังกะสีเก่ามากไม่ยักเห็นบ้านสวยๆมีเถาวันขึ้นตามหลังคาแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ก็อยู่ใกล้ๆลูกแปลกใจว่าโ อ, โอ้แต่บ้านหลายหลังที่ลูกเห็ น, นคืออะไรจึงไปกราบเรียนถามหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็บอกว่ า, าดีแล้วที่เห็นน่ะ เขาเป็นชาลับแลมาอนุโมทนาบุญด้วยตัวประจําเหตุการณ์นั้นมาตลอดสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้อย่างไรแล้วทําไมเราเห็นอยู่คนเดียวน้องขอยลูกทํางานกรมชนรบทานเป็นคนนิสัยดีเรียบร้อยรักครอบครัวดื่มเหล้าเบาขาดตามสังคมขี้เมา <c oughs> มวันที่31ธันวาคม2541เขาจะไปดื่มเลี้ยงเฉลองงานปีใหม่ในหมู่บ้าน ขากลับระวังทางในขีมอเตอร์ไซค์ ป, ปัทกับรถปิกอัพที่วิ่งสวนเป็นอย่างแรงน้องเขยพร้อมรถมอเร์ไซค์ตกลงไปในน้ำนี่ไม่ใช่ทดลองวิทยาศาสตร์ประมาณ20นาทีเคกนก็ น, นําร่างขึ้นมาปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วอายุเด็กสิบสปี<อ>คําถามคํามใดท่านคุณหมอวินิจฉัยโรคคุณพ่อผิดจนไส้ติ่งแตกหนองจับลําไส้ที่รักษาหายได้ไม่มีอันตรายเป็นเพราะเหตุใดคะ จะต้องแก้ไขวิบากกรรมนี้อย่างไรคะที่ลูกเคยคิดและพูดว่าหาคุณพ่อเป็นไส่ติงเมื่ออายุย่างในน้อยก็คงหยุดดื่มรับนานแล้วลูกเพราะฉะนั้นจะเป็นวิบากกรรมของลูกไหมคะกรรมใดทาให้รถพิกอัพที่จอดอยู่เฉยๆไหลมาหาคุณพ่อนี่ดูเห็นไหมเวลามันมีวิบากนี่รถจอดอยู่เฉยๆคุณพ่อไม่มามันก็ไม่ไหลพอมามันก็มีอารมณ์ไหลทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นพอที่คุณพ่อเห็นช่วงที่หมดสตินั้นคืออะไรคะนี่ มีผลต่อชีวิตพ่อหรือไม่หามีผลจะแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดลูกจะมีชีวิตที่ลำเค็ญและประสบปัญหาครอบครัวตั้งแต่ยังเด็กโดยเหตุดใดลูกจึงมีสติอดทนต่อสู้ชีวิตให้สำเร็จคะลูกควรมาปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ไม่ต้องมีบุปพกรรม น, นี้อีกคะทําแบบมานพหนุ่มสิจ๊ะกรรมใดจึงมีแต่คนที่มีครอบครัวแล้วไม่ชอบลูกและลูกต้องมีสามีที่มีอายุมากกว่าถึง28ปี แต่ทำไมเราจึงรักอดีตสามีคนนี้อย่างมากมายทั้งแต่ที่เขามีภรรยาแล้วแต่โลกลูกสามโลกอดีตสามีและภรรยาของอดีตสามีเราทั้งสีคนเคยมีบาปกรรมร่วมกันมาอย่างไรจึงมาเจอกันชาตินี้ชาติต่อไปเรกจะต้องมาเจอแบบนี้ไหมคะและลูกชอบหรือเล่าเราชาตินี้ลูกจะแผ่เมตตาแผ่บุญให้ทั้งเขาและภรรยาเรขออย่าได้เจอกันอีกเลยทําอย่างไรเราจึงจะหมดวิบากกรรมนี้คะ โปรแ ก, กรมใดโรกป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจโปง่งพองเลือดเลี้ยงหัวใจไม่สม่ำเสมอเป็นได้คริวที่หัวใจแทบประชีวิตไม่รอดจะหายได้เพราะเหตุใดคะคกรณ์ในทางวิโรปประสบอุบัติเหตุที่ศีรษะถึงสองครั้งในครั้งที่สองมีอาการชาที่ขาจนเดินไม่ได้พอแก้บนจึงหายเป็นเพราะเหตุใดคะบ้านออเรือนไทยรวมถึงเด็กและคนแก่ที่ลูกเห็นใช่ชาวรับแรงไหมคะแล้วทําไมลูกจึงเห็นได้ไดเพียงคนเดียวเขาต้องการอะไรคะ มีความเกี่ยวข้องกับลูกไหมคะชารับแรงเขามีความเป็นอยู่อย่างไรเป็นการเรียบแบบผมมาเทวะใช่ไหมคะทาบุญกรรมาอย่างไรจรึงไปเกิดเป็นชารับแรงฮะอุปกรรมใดทําให้น้องเขยลูกต้องมาประสบอุัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนรถปิกอัพแล้วตกน้ําตายคะพองลูกบอกว่าน้องเขยมารับเคราะห์แทนลูกจริงหรือไม่คะก่อนตายเขามีนิมิตอย่างไรตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนบุญที่ลูกทิศให้ทุกครั้งเขาได้รับหรือไม่คะ นี่ก็ความได้ฝากถึงภริยาเขาและลูกของเขาหรือไม่คะเขาต้องการอะไรหรือเปล่าคะคุณพ่อคุณแม่ตัวลูกและลูกสาวลูกเคยสร้างบา ร, รมีกงโมขณามาอย่างไรธรรมชาติให้ลูกจึงพัดพระไดจ้จงโมขณามานานถึง15ปีตัวลูกเขาเจอในสมณะเพศหรือเปล่ารูปทีฐานจิตเขาเกิดเป็นเพศชายเพราะวิชาธรรมกายในบทตลอดชีวิตทุกภพทุกชาติไปทําอย่างไรจึงจะเป็นไปได้คะพระเจนาทีละลูกมีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไร ไดกลับดุสิบุรีได้ได้ลงมาสองรอบหรือไม่คะเราจะมีโอกาสลงมาเกิดรอบสองในชาติต่อไปหรือไม่คะต่างทำอย่างไรคะพระอาจารย์ลูกได้เมตตาชี้ น, นําให้ลูกอยู่ในบุญตลอดจะทําให้ลูกมีผลการปฏิบัตททิธรรมดีและมีแรงบันดาลใจจัดทําโครงการปฏิบัติธรรมในหน่วยงานได้เป็นผู้นําบุญอย่างเต็มตัวจนปัจจุบันนี้ออกเป็นผู้นําบุญเนาะพระอาจารย์เคยเกี่ยวข้องกับลูกมาอย่างไรเคยทราบบุญมีกัหลวงพ่อและหมู่คณะมาอย่างไร อุปจนดานที่ผ่านมาท่านมีผลกับบรบิวัตัทำเป็นอย่างไรจะได้กลับดุสิธ์บุรีแล้วจะได้ลงมาเกิดรอบสองในชาติต่อไปหรือไม่คะคำถามเดียวกันเลยจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับรับตาฝันตปนธรรมตาเตืนขึ้นม า, ามนแล้วก็นำมาไล่ฟังปนญญยายปรัม ร, รากันจ้า มาวินิจฉัยอาโรคคุณพ่อผิดจนไส้ติ่งแตกหนองวิจาบลาไส้เพราะการฆ่าสัตว์ทั้งในอดีตและปัจจุบันมาทําเป็นอาหารเช่นจับปลามาผ่าท้องทั้งเ ป, เ, ปเป็นเป็นเป็นต้นมาส่งผลเจ้าที่รักษาหายได้ก็ดีวันนี้ทําตามประเพณีเช่นถาวายเปยสัตว์ยารักษาโรคทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุนทุกบุญทั้งชาตศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลา แล้วทิดบุญไหมให้สัพพสัตย์เคยเบียดเบียนเหล่านั้นบ่อยๆจ้าการที่ลูกพูดว่าถ้าคุณพ่อเป็นไส้ติงแต่ทั้งแต่อายุอย่างน้อยตอนนี้คงจะเลิกดื่มเหล้าไปแล้วนั้นก็ไม่ได้มีวิบากกำได้เราไม่ได้พูดด้วยความปรารถนาร้ายจะตั้งใจท่านเลิกดื่มเหล้าจ้าราะที่เอาที่จอจเฉยๆไหลามาหาคุณพ่อจนทําให้เกิดอุบัติเหตุเพราะการแอดีเมื่อดื่มน้ําเมาแล้วก็ทะเลาะวิวาทจะทําให้คู่กรณีบาดเจ็บสลบไปนมาส่งผลจ้า แต่ไม่ตายเพราะว่าไม่ได้ทําให้เขาตายจ้าภาพที่คุณพ่อเห็นช่วงหมดสตินั้นเป็นภาพนิมิตเก่าในชาติอดีต ท, ที่คุณพ่อเคยดื่มเหล้าแล้วไปอยู่จมโลกมาใช้เห็นด้วยกรรมดื่มเหล้าในปัจจุบันบรมดานจ้าแต่พ่อม่กลับด้วยกับตัวหักดิบเลิกดื่มเหล้าอย่างจริงจังและหันมาทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างจริงจังก็จะต้องย้อนกลับสู่จอมโลกอีกรอบหนึ่งจ้ะ เราชีวิตลําเค็ญและประสบปัญหาข้อผัวเราตั้งแเด็กแล้วกำรนิดเดียรสมัยเป็นเจ้าอาสมัยเป็นผู้ชายได้ครบคนรานชักชวนไปดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันมาส่งผลแต่ต่อมาภายหลังได้พบกับไ ร, รมิดแนะนําให้หันกลับมาทําความดีได้เลิกหักเด็บจากสิ่งเหล่านั้นในบทนี้ยังทำให้มีสติและเอาชนต่อสู้ชีวิตจนสําเร็จจ้าโดยจะต้องไปครบค น, บานครา์ผนคับบัณฑิตนักปราศและสําน้าที่กับไ ร, รมิดชักชวนคนทําความดี ท้งมันสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและอัติฐานจิตมันล้อมกรอบเอาไว้ให้ดีจ้าลูกมักจะมีคนที่มีครอบครัวแล้วมาชอบลูกเพราะกำเนาดีสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายลูกมีภรรยาแล้วชอบมีบ้านเล็กบ้านน้อยไปเรื่อยๆแม้อายุมากแล้วก็ยังชอบทําอย่างนั้นอีกมาส่งผลจ้าลูกจะมีสามีายุมากกว่าถึงยี่ดปี แล้วก็รักอดีตสามีคนนี้มากๆากทั้งนั้นได้เขามีปรรยาแล้วเพราะกำดังกล่าวของตัวลูกตอนที่มีปรรยาแล้วในอดีตนั่นแหละแล้วก็มีมีภรรยาน้อยเรื่อยๆหลวงหนึ่งหลวงสองหลงสามไปเรื่อยๆแม้มีอายุมากแล้วก็ยังมีหลวงถัดๆไปอีกมาส่งผลจ้กะกับความผูกพันกับอดีตสามีคนนี้ในปัจจุบันเป็นหลักช้ะ เป็นกรรมกาของตัวลูกและเป็นกรรมใหม่ของอดีตสามีคนปัจจุบันใช่ไหมตลูกลูกสาวลูกอดีตสามีและบริยาของอดีตสามีมาเจอกันในชาตินี้และทําให้มีเหตุการณ์ติดพัวพันกันเพราะเป็นกรรมกาของตัวลูกดังกล่าวเป็นกรรมใหม่ของอดีตสามีส่วนปริยาของอดีตสามีมีเศษกรรมการมเมของตนเองกรรมส่วนตัวจึงทําให้มามีสามีเจ้าชู้อย่างนี้ใช่ส่วนลูกสาวของลูกก็มีเศษกรรมกรรมเมเจ้าชู้สมัยที่เขาเป็นผู้ชาย มาส่งผลให้มีข้าวกลัวอย่างนี้การใกล้เคียงกันทั้งสี่ก่อนยังทําให้มาพัวพันกันในปัจจุบันเจ้จะแก้ไขลูกต้องหักดิบเลิกกินน้ําใต้สอกใครแล้ว <c oughs> น้ําใต้สอกใครน้ําใต้เข่าใ ค, ครก็ไม่เอาเราต้องดื่มน้ําของเราเองเราก็ต้องหมั่นมีน้ําใจสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานสีมหาดาให้มากๆแล้วติดขัดจิตล้าก็เราชิดของตอนเองให้หลุดพ้นจากวงจร น, นี้ทุกๆวันเจ <c oughs> ้ ลูกบ่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจโป่งพองเลือดเลี้ยงหัวใจไม่สม่ำเสมอเป็นตะคิวที่หัวใจแทบเอาชีวิตไม่รอดเพราะกรมกรมกรรมใจช่วยแน่ดีสมัยที่เกิดเป็นผู้ชายดังกล่าวที่ทำให้ผู้หญิงเจ็บช้าน้ําใจนำมาส่งผลเพราะกรรมฆ่าสัตว์ตั้มอหารเจแต่หายได้เพราะบุญที่เคยสร้างไว้กับหมู่คณะแน่ ด, ดีมาส่งผลเจ้าลรค ป, ประสบอุบัติเหตุที่ศรีรษะถึงสองครั้งครั้งที่สองมีอาการชาที่ขาจนเดินไม่ได้พอแก้บนก็หายเพราะ กรรมฆ่าสัตว์ธรรมหาเนยดีเช่นทุกทิศสัตว์มารวมกับกรรมที่เคยไปล่ามขาสัตว์เอาไว้จนมันทรมานในสมัยที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมาสมโขนจ้ที่หายได้ก็เพราะหมดกรรมพอดีไม่เกี่ยวกับการแก้บนจชะบ้านเรือนไทยลนทั้งเด็กและคนแก่ที่ลูกเห็นนั้นก็คือพมมาเสวาแถวนั้นจะเรียกว่าชารับแลก็ได้ เขาจะมานโมสนาติเตียวูกสร้างบุญติเตียวลูกเห็นได้เพราะบุญที่เกิดจากการทําสมาธิมาในอดีตระส่งผลในจังหวะนั้นพอดีจ้ะชาวลับแล่ก็คืออดีตมนุษย์ที่สร้างบุญแบบทัท่วทไปตามประเพณีเช่นใครชวนทําบุญก็ทําใครชวนไปวัดก็ไปตามเรื่องตามราวไปถึงแล้วก็ชวนทำบุญก็เอาเงินใส่ซองสิบาทบ้าง20บาทบ้างหนึ่งบาทบ้างใส่ซองร่วมบุญด้วยครับเป็นต้นจ้ะ ใครทำอย่างนี้ก็เตรียมตัวได้แล้วจ้าไปเป็นชาลับแหล่กลางคืนเห็นวิมานกลางวันเห็นสุขาเงินงพระสมโพนี่มาเป็นภูมิปาวาที่มีวิมานหรือบ้านที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์อยู่บนพื้นดินเป็นหมู่บ้านหรือชุมชนจ้ามีอยู่ทั่วๆไปแล้วจ้าน้องเคยลูกประสบัติเหตุมัเตอร์ไซคชนรถปิกอับและตกน้ําตายพระการนัดดีมาดื่มเล่าจนเมาแล้วก็ทะเลาบวิวาทจนคู่กรณีเสียชีวิตมาส่งผลจ้า น้งเคยไม่ได้มารับกรรมแทนพ่อดังที่พ่อบอกแล้วกรรมใครก็กรรมมันจะมารับแทนกันไม่ได้จ้าตาแล้วก็ถูกเจ้าได้ที่พาตัวไปเลยจ้าพาไปเลยโยมโลกของมหาดลโลกขุมหา้าแล้วถูกไปพักสายถูกกรอกงาทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทร ม, มานมากเดือกรรมดื่มสุราจ้าพระท่านที่ให้ห้ามโฆษณานั้นดีมากแมายรวมวิทย์ชื่นชมวนโมทนาดีที่สุด ที่ดีกว่าดีมากคือเลิกปิดปิดโรงงานสุราไปเลยแล้วก็เลิกขายไม่ว่าสุรานอกสุราในแต่ละบุญทิศไปให้แล้วก็ได้รับรดยันผ่อนโทษลงมาจ้าเขาอยากให้ช่วทิศบุญไปให้เยอะๆเพราะตอนนี้บอกว่าเข็ตแล้วทรมานเหลือเกินอยากพ้นกรรมอยากทันทรมานมากจ้าคุณพ่อแม่โตลูกแล้วลูกสาวก็สร้างบารมีกับหมูคณะมาแบบกองเสบียงแต่คุณพ่อแม่บางชาติจะเจอหมู่คณะบางชาติเขมาเจอกันพราะท่านทําบุญตามอารมณ์จ้า มีอารมณ์ก็าทาไม่มีอารมณ์อยากทกาก็ไม่ทำทั้งๆ ท, ง ท, งที่มีความพร้อมนี่จะทำสรุปแล้วลูกสาวก็เช่นเดียวกันส่วนในที่ในชาตินี้พระเจ้าหมู่คณะนานสิบห้ปีพระบุญนิธรรมกับหมู่คณะในอดีตมาไม่สม่ําเสมอกับเมื่อปัจจุบันเมื่อกระทบกระทั่งกับบางคนในหมู่คณะแล้วก็น้อยใจเลยพมมัดกันไปช่ังนี้ติดตัวมาตัวลูกเป็นกุลธิดาติดต่อกันมาหลายชาติแล้ว แต่ก็เคยมีบุญบวชระยะสั้นอยู่บ้างสมัยเป็นผู้ชายแต่เนิ่นนานมาหลายกลับแล้วจ้าผู้ชนะที่พ่านมาก็เป็นกุลธิดาเดินไปทำบุญกับโมกขนณะแบบมาบ้างไม่มาบ้า ง, ไ ม, มาางไม่สม่สมสมําเสมอการปฏิบัติธรรมก็จึงไม่ค่อยจะมีผลการนาสด้เจิงพลัดไปเกิดเป็นเทพธิดาที่สวรรค์ชั้นดาววดึงเฟศสามจ้าทศยาการผู้ชายได้บวชด้วยเจ้าจตังรักษาศีลแปดประพฤติโรเมจันจนตลอดชีวิตแลติดฐานจิต ท, ทุกวันทุกครั้งที่สั่งสมบุ ญ, ญจ้า พระอาจารย์ส่วลูกพุทธนาธิพานมาก็ได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ อ, อบวชตามพระราชามาบวชแล้วก็ทำหนา้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติทำได้เกิถึงองค์พระภายในตัวราชกลับดุสิบุรีได้ลงมาสร้างบรมีได้สองรอบจ้าโมาพุทธนาธิพานมาก็ได้เป็นพระอาจารย์อบรมทั่งสอนตัวลูกมาจ้าชาตนี้มาเจอกันแล้วให้แต่งใจสร้างบรมีเต็มที่ในทุกบุญ ล้วตดสารจิตตาจิตวิดญสบิบรีบงมุลวิเศษเขตบัล์มโพธิสัตว์นพรเลยจ้าสาธุที่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตดี้สั้นๆ ส, ส, สำหรับคืนนี้